แต่งตั้งภิกษุชื่อนี้เป็นพัตตุเทศท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้เป็นพัตตุเทศท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นพัตตุเทศแล้ว สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้